ขอความเจริญในธรรมจะมีแด่ท่านผู้ฟังเท่าไหรแต่รลพระพุทธญาติาได้นำเสนอเรื่องราวของพระพุทธสั์ในสมัยที่ทรงบาเพ็ญเพียรเพื่อสแสวงหาทางจัตสรุประมาณถึงช่วงที่ทรงเปลี่ยนจากการบาเพ็ญทุ ก, กรกรรยาโดยทรงเห็นว่าทุ ก, กรกรรยาคือการทรมานร่างกาย แบบวิธีต่างๆตามความเชื่อถือที่ยึดถือประพฤติปฏิบัติกันอยู่ในสมัยนั้นพระองค์ก็ทำได้สูงสุดแล้วคือเกือบจะสิ้นประโชน์ชีพิแต่ว่าไม่มีข้าวของความสาเร็จที่จะเกิดขึ้นไปในพระไทยไมีน้ำซ้ำกลับเกิดความทุกข์โดยเฉพาะยิ่งคือทุกขเวทนา แม้แต่จะเสด็จไปไหนก็สวนล้มไม่สามารถจะส่งพระวรกายไปได้ก็ในขณะนั้นก็ท่านเล่านะบอกว่าท้าวส ก, กัดเทวราชได้มาบรรเลงเปลงพินเป็นตำนองให้สติตักเตือนรงก็ได้ความคิดจากเสียงพินตรงนั้นเอง แต่การคิดต่อไปนั้นก็คือขึ้นจากความชำนิชนะในเรื่องการเล่นพินในสมัยที่ยังอยู่ที่วังก็นำมาตรวจสอบโปรง่งว่าการปฏิบัติของโปรง่งในขณะนั้นมันก็จัดเป็นสายพินประเภทไหนก็ทรงเห็นชัดเจนว่าเป็นสายพินประเภทที่ขึงตึงเกิดไปเกิดตะคืนดีดต่อไปก็ต้องขาด โอกาสที่จะสัตรูอนุตระสมาสัมพทิยานก็ะชิอว่ถูกทำลายไปแต่ในขณะเดียวกันในสมัยที่ครองเรือนอยู่ภายในพระราชวังทำกลามการห้อมล้อมของสาวสรรกับใ น, ในทั้งหลายที่มีการดั่วย่ในเพลิดเพลินอยู่ในเรื่องของการมคุณทั้งหลายมันก็เหมือนกระสายปินประเภทที่ยอน ว่าจะทำยังไงจะปรับให้เข้าสู่ตรงกลางต่อในที่สุดความคิดของปรุงก็ย้อนเข้าไปสู่ในสมัยที่ทรงพระเยาวย์่ตอนประชนพรรษาเจ็ดขวบปรงได้บรรลุปฐมฌชชานไปใต้ต้นว่าในพิธีวปะมงคลแรกนาควัญซึ่งพระเจ้าสุโธธนะได้นำเสด็จ ออกไปดูพิธีแรกนาแต่แทนที่จะดูก็แรกนาก็ากลับนั่งสมาธิจนเกิดความสงบและบรรลุปฐมฌานเป็นปรากฏการณ์ที่ถือว่าอัศจรรย์จะทำให้พระเจ้าสุทธโธทนะต้องถวายบังคมพระาราชโอรสพระเงาของต้นว่านั้นอย่างเที่ยงอยู่ ท, ทั้งทั้งที่ตะวันบ่ายแล้ว ปรากฏการ์มหาสาร์เหล่านี้ก็เป็นที่ประจักแก่ใจของคนทั้งหลายมันไปนเพิ่มพูนความเชื่อมัน่นที่ได้ยินได้ฟังมาตั้งแต่ทรงประสูติใหม่ใตั้งแต่เดินด้วยพระบาทได้เจ็ดเก้าตั้งแต่อสิทดาวบดไปถวายบังคมแล้วก็ทุกคนก็ดูมีความรู้สึกเหมือนกับพระราชาุมารลอยอยู่บนเสียรของดาบท ซึ่งก็เป็นบุพนิมิตแสดงเห็นว่าในอกาศต่อไปพระจกุมารก็จะแสดงลัทธิศา ส, สนาที่พระองค์ค้นคว้า ม, มาในเหนือกว่าบรรดาหนักบทางไงในคำสอนในเรื่องเดียวกันแต่ก็ทรงเห็นว่าการจะทำให้ได้ผลอย่างนั้นความพร้อมทางร่างกายในเป็นเรื่องใหญ่ แต่ถ้าหากว่าร่างกายไม่พร้อมร่างกายยังผายพร้อมสเสด็จไปไหนยังไม่ได้อย่างีไยไปทําให้เกิดความสงบมันก็ทํามไม่ได้แร้วในการต่อมาในอุปมาคือพระไทยของพระองค์นั่นเองก็ว่ากันตามความเป็นจริงในช่วงเนี้มีมีการเล่าอะไรไปเยอะแต่ก็อย่างที่บอกไว้ว่าเราไม่รู้อะไรก่อนอะไรหลัง โดยสมัยนั้นแลครั้งนั้นแลในเวลานั้นในเวลาใดเวลาหนึ่งอะไรตัวไหนเนี่ยคือไม่ได้บอกลำดับเอาไว้เพราะก็ต้องอาศัยการสังเกตเอาว่าตรงเนี้ยอะไรควรจะอยู่ก่อนอยู่หลังคือถ้าเรียงมาตามลำดับก็ได้แต่แม้เอกาสารต่างๆที่ครูบาอาจารย์ได้เรียบเรียงไว้โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่ หลวงพ่อพุทธทาท่านเอาไป เ, เรียงไว้ในหนังสือที่ชื่อว่าพุทธรหัสจากพระโอษฐ์เนี่ยเขวก็ยิงข้อความมันก็กระโดดไปกระโดดมาเหมือนกันแต่ข้อความซึ่งควรจะอยู่ในช่วงหนึ่งแต่กลับไปอยู่อีกช่วงหนึ่งด้วยเพราะอะไรเพราะว่าเวลานําไปเล่าเนี่ยทรงเล่าโดยในยะหนึ่งในยะหนึ่งหรือปริยายหนึ่งปริยายหนึ่ง คนฟังจะสามารถเข้าใจประทับใจโดยข้อความในช่วงไหนก็รับสั่งเล่าในช่วงนั้นแล้วก็ขยายความขึ้นไปมันไปสอดคล้องกับพื้นอัธยาศัยของผู้ฟังตรงนั้นในขณะนั้นคือได้รับสั่งเล่าไว้ในที่บางแห่งแต่ก็เข้าใจว่ามันอยู่ในช่วงที่ต้องเสวยพระกยาหารมาก่อน แล้วก่อนที่จะพบนางสุชาดาเนี่ยมันต้องมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นอีกหลายๆอย่างประการแรกก็คือมันเกิดอุปมาขึ้นมาเกิดไปในประเทศไทยเป็นอุปมาที่เราเห็นอย่างหนึ่งว่าธรรมะในพระพุทธศาสนาเนี่ยมีอยู่ทุกคนทุกแห่งประการสำคัญมันอยู่ที่เราคิดอย่างไงไม่อยู่ีนสิ่งนั้นคืออะไร เราจะสามารถหาประโยชน์จากทุกอย่างที่ใกล้ตัวเราได้ครูในการศึกษาทมปฏิบัติธรรมของพระพุทธเจ้าพระหานทั้งหลายถ้าเราดูแล้วเนี่ยไม่ได้มีอะไรพิเศษอะไรอย่างที่เหตุให้เสด็จออกพนุษว์ก็ประรก ค, คนแก่คนเจ็บคนตายแล้วก็สามัญนาอย่างที่บอกไว้ในวันก่อนมันก็เป็นภาพปกติธรรมดา ทีนี้การทรมานพูร่างกายโดยวิธีการต่างๆมันก็เป็นวิธีการที่แพร่หลายกันอยู่ในสมัยนั้นแต่อุปมาเนี่ยคือความคิดเนี่ยมันเกิดขึ้นจากการมองท่อนไม้การท่อนไม้โดยสรุปว่ามันมีอยู่สามท่อนซึ่งอาจจะเป็นการอาศัยความจําก็ได้หรือเห็นอยู่ตรงนั้นก็ได้เพราะว่าสถานที่ศัสรูมันอยู่ใกล้ริมใกล้แม่น้ํำนิรัญชารา ใกล้น้ำอุบมาข้อแรกบอกว่าสำนักพรามณ์เราใดเราหนึ่งที่มีกายก็ยังไม่ออกจาก ก, าการรมกรรมในที่นี้ก็หมายถึงพวกวัตถุกรรมทั้งหลายนะคือรูปเสียงกลิ่นรสพุทธะพะที่น่าใคร่น่าปรารถนาน่าพอใจแล้วก็ใจเราไปยอมสยบคือไปกำหนดไปให้ความสำคัญแก่เขาว่ารูปนั้นสวยเสียงนั้นไพเราะกลิ่นนั้นหอมรสนั้นอร่อยสัมผัส น, นั้นน่าจับต้อง เรากำหนดว่าหน้าใครหน้าปรารถนาหน้าพอใจใจก็กำหนัดเพลิดเพลิอนอยู่ในอารมณ์หลดนั้นเราแสดงว่ากายยังไม่ออกใจก็ยังคิดหมกมุ่นมีการกำหนัดมีความเพลิดเพลินมีความยินดีมีความกสานอยากอยู่ในอารมณ์หลดนั้นคือดํารินึกถึงในแง่ของความสวยงามเพราะถ้าเรามองโดยปริยายหนึ่งเนี่ยฮะเราเห็นว่าความสวยงาม น, นั้นมันไม่มีอยู่จริงแต่ปัญหาว่าเราไป ตีค่ามันไปให้ความต้องการแก่มันยกตัวอย่างเช่นสังคมไทยเราเคยเล่นอะไรกันหลายครั้งหลายคลนะครเช่นยุคหนึ่งก็เล่นต้นยางอินเดียกันยุคหนึ่งก็เล่นอะไรว่านสเสนจันจันรขาวจันแดงอะไรเนี่ยยุคหนึ่งก็เล่นอะไรเคี่ยวหนุมานเป็นการสร้างขึ้นเป็นค่านิยมแห่งยุคสมัย คือการนิยมเนี่ยคือการกําหนดโดยสิ่งนั้นมีค่าแล้วกระแสะสังคมก็รับรับก็เล่นก็มีการแสวงหากันเป็นการใหญ่แล้วพอเรามีความรู้สึกมันไม่มีค่ามันก็ทิ้งเกลื่อนไปนะเนี่ยเทียวหนุมานก็ทิ้งเกลื่อนไปสเสนจันแดงจันขาวอะไรที่ว่าเนะี่ยมันก็เหมือนกันหรือแม้แต่ยางอินเดียเวลนี้ก็พยายามจะค้นทิ้งกันอยู่แล้วก็แสดงว่า เอ้ยเจ้าสงสัยคําว่าจิตไปกําหนดด้วยอํานาจความกําหนัดความกําหนัดมันก็เกิดขึ้นหมายความว่าจิตเราไปตีค่ามันแล้วเรามองในแง่ความจริงมันมีรูปสวยสากลไหมมีเสียงไพเราะสากลไหมมีกลิ่นหอมสากลไหมมีรสอร่อยสากลไหมมีสัมผัสที่น่าจับต้องที่เป็นสากลคือหมายความว่าทุกชีวิตมันชอบเนี่ยมันไม่มีอะ จนกลายเป็นพูดประลางเนื้อชอบลังยาแล้ว แ, แต่ใครจะไปตีข้าเอาเพรา ะ, ะนั้นอุปมาจึงชัดมากเป็นภาพที่เราเห็นว่ามันมีความเคลื่อนไหวว่าสำนักพรามณ์เราใดเหล่าหนึ่งที่กายก็ยังไม่ออกจากกามทั้ง จ, จิตใจก็ปัวพันหมกมุ่นอยู่ในกามมันก็เหมือนกับคนอยู่ตามบาตามผับตามสถานเริงรมต่างๆเนี่ย กายก็อยู่กับทรงนั้นน่ะใจก็อยู่ตรงนั้นมันกลายเป็นอย่างหนึ่งที่เคยตั้งข้อสังเกตแล้วเคยคุยกับคนดิคุณคุณกันนะ่ะบอกมันมีความจำเป็นอะไรต้องไปกินอาหารผักตาคารอาหารผัตตาขันใครเป็นคนปรุงให้คนกินคุณรู้รถึงความสะอาดบางขนาดไหมันมีอะไรสารปนเปื้อนอะไรอยู่เราไม่รู้อะไรเลยนะภาชนะที่เอามาใส่อาหารสะอาดไหมเนี่ย เราไม่รู้ทั้งนั้นแล้วก็เป็นชาวบ้านเราไม่รู้จักสนิทสนมคุ้นเคยอะไรกับเขาก็มาทำให้เรากินราคาก็แพงด้วยเอาแหละสมมติว่ารับประทานเขับไปปัญหาว่าเราต้องการรับประทานอาหารใช่ไหมแต่ทำไมเอาอย่างอื่นเข้ามาเกี่ยวข้องเยอะแล้วก็คิดเป็นเงินทั้งนั้นมีรูปสวยๆมีเสียงไพเราะมันเกี่ยวอะไรมีรถอร่อยนะเอาใช่อาหารเนี่ยต้องอร่อยะ มีกลิ่นหอมๆเอาออเอาฉพาะกลิ่ น, อ, น, า น, อ, น, น, นอาหารก็เปิดทำเนาแต่นอนในอาหารกลิ่นเหม็นมันก็กินไม่ได้แต่สัมผัสเนี่ยพาร์ทเนอร์ทั้งหลายที่มานั่งคุยอมันนั่งทํำอะไรนั้นคือกลายเป็นสินค้าเราก็ต้องจ่ายเพิ่มขึ้นเยอะพวกพัตสาคารต่างๆก็รวยเพิ่มขึ้นคนที่กินก็จนลงแล้วก็ยังอยู่อย่างนั้นก็เป็นเรื่องที่แปลกแต่จริง เพราะอะไรเพราะใจไปกำหนดด้วยอำนาจของความกำหนัเพื่อเพลินรู้สึกมันได้สาธานะมีเกียรติมีศักดิ์ศรีแม้แต่กินกาแฟสักถ้วยก็ไปกินตามไดนที่อย่างเง้นมาก่อนก็มีคนรู้จักกันก็อยู่โรงแรมใหญ่เขามาเลี้ยงก็ลองถามก็ดูกาแฟนี่ถ้วยเ่าไรนิดเดียวนะขวดสี่สิบแปดาทแมสะดุง หลายปีแล้วนะฮะทุกวันอาจจะถึงร้อยได้ก็ได้นั่งกินก็นได้ยังไงนั่นก็แสดงให้เห็นว่าเรากําหนดมันมันหลายเรื่องไ ม, ไม่ได้กินเฉพาอาหารอย่างเดียวกินเกียรติยศกินชื่อเสียงกินศักดิ์ศรีกินอะไรเข้าไปไม่รู้เพรา ะ, ะนันคนที่เข้าใจจิตวิญาณมวลชนเนี่ยเขาจึงหาประโยชน์จากผูเนี้ยเป็นเยือ่อบางครั้งท่านก็จึงเรียกว่าเป็นเยือ่อเป็นอามิตรเนี่ยมันเป็นเยือ่อ เป็นเหยื่อที่จะล่อคนเข้ามาให้ติดเบ็ดหรือติดเหยื่อตรงนั้นแล้วก็ใช้ได้ตลอดไปก็คราวหนึ่งที่เคยพูดเรื่องแผนนารีพิฆาตคนก็หาว่าเป็นการสร้างเรื่องขึ้นบอกว่าเวรกรรมอะ้วแต่จะคิดอน่นารีพิฆาตเนี่ยเขาใช้กันมาตั้งแต่ไหนแต่ไรอะนะ ทิดามานทั้งสามที่ไปยั่วยวนพระพทธเจ้าก็แผนนารีพิฆาตเดียวเซียนตังโตลิปโปเนี่ยก็แผนนารีพิฆาตมันมีอยู่ตลอดระยะเวลาตั้งแต่โลกมีมนุษย์มานะแผ่นนารีพิฆาตเนี่ยก็ใช้มาตลอดแต่ว่าใช้ในแนวไหนใช้พิฆาตในเรื่องอะไรยังไม่มีอะไรเนี่ยทำลายชื่อเสียงกันก็ได้ที่ท่านเล่าถึงพระเทระสองรูป เป็นอันหนึ่งเงินเดียวกันจนพรรษาพรรษาเยอะแล้วพรรษาทั้งห้าหกสิบไปแล้วก็แสดงอายุมากแล้วนะฮะแต่มีอยู่คราวหนึ่งเทวดาต้องการอะไรก็ไม่รู้แกนึกอะไรขึ้นมาตรงนี้พระองค์หนึ่งไปข้าวไปถ่ายทุกขในป่าก็เดินกันในป่านะองค์นู้นก็รอคอยอยู่องค์ที่เป็นผู้ใหญ่กว่านะรอคอยอยู่องค์นู้นก็ เขาเสรีระกิจคือกิจที่เกี่ยวกับสรีระแล้วทั้งก็ออกมาปกตินั่นแหละแต่ข้างหลังนี่เทพธิดาปรากฏแปรมตัวปลอมตัวเป็นเทพธิดาสยายผมจัดผ้าจัดเสื้อแสงอะไรแต่ไครคล้ายๆกับไปมีอะไรกันมานะแต่ว่าพระองค์นี้ท่านไม่เห็นหรอกแต่องค์ที่ยืนคอยเนี่ยมองมาท่านเห็นเลยไปกันใหญ่เลยองค์นี้ก็กล่าวหา บาดแรงองค์ที่ยืงคอยองค์นี้ก็ไม่รู้เรื่องท่านก็ไม่รู้เรื่องกานั้นได้นในสุดสองรูปแตกกันต่อมาเทวดาองค์เนี้ยในสมัยพุทธกาลก็มาเกิดเป็นภิกษุรูปหนึ่งชิโกนาธานไปไหนมีจังหวะห่างช่วงหนึ่งเนี้ยคนจะเห็นผู้หญิงอยู่ข้างหลังท่านจนคนตักบาดเนี่ยตักสองที่ คือตักให้ท่านก่อนแล้วบอกว่านี้ก็ให้สหายของท่านหรือผู้หญิงที่เป็นสหายของท่านท่านก็งงนะท่านก็ไม่รู้เรื่องอะไรไม่เคยเห็นเลยท่านเองท่านไม่เคยเห็นเลยพระพุทธเจ้าทรงรู้แต่ไม่ได้รับสั่งอะไรเขต้องไปฟ้องไปเจ้าประเสนีโกศลฟ้องอนาถบินิกาเศรษฐีอนาถบินิกาเศรษฐีท่านเป็นพระโสดาบันท่านไม่สนใจหรอก ท่านรู้ว่ามันอะไรเป็นอะไรว่าพระพุทธเจ้าอยู่ถ้าเรื่องมันมีปัญหาก็ทรงจาัด ก, การแล้วพระเจ้าประเส้นทในกุศลต้องขึ้นไปดูเองลองให้ท่านเดินเข้าเดินออกเนี่ยพอจังหวะหนึ่งจังหวะมันห่างจังหวะหนึ่งจะเห็นมีผู้หญิงอยู่แต่ว่าถอยหลังก็ไม่เห็นพอเดินมาไกลก็ไม่เห็นเพราะนั้นจังหวะมันจะต้องห่างระดับนั้นให้จึงจะเห็นท่านก็รู้ว่ามันต้องบุ ป, ปรกรรมอะไรสักอย่างแล้วก็บอกว่า พระคุณเจ้าคนลำบากแย่ดังนั้นต่อไปนี่โยมจะดูแลเองจะถวายพระตาหารเองแต่ว่าหนที่สุดท่านก็มีคล้ายๆกับคนคำประกันให้แล้วนะฮะก็เกิดเชื่อมั่นตัวเองขึ้นมาเพอเพื่อนพูดว่าท่านไปไหนก็มีผู้หญิงไปด้วยท่านก็ด่าตอบมาเลยคุณนะ่ะสิมีผู้หญิงไปด้วยเลยเกิดเรื่องต้องนาไปฟาดพระพุทธเจ้พาพระเจ้ารับสั่งถามว่าเธอเห็นเขาเหรอที่พูดเนี่ย ท่บอกท่านไม่เห็นนะเอา้าไม่เห็นนะั่นพูดได้ยังไงไปว่าเขาว่ามีผู้หญิงเดินตามหลังได้ยังไงเราก็บอกว่าพิสูจน์หลังเขาว่าทางก่อนผู้จ่า ก, ก่อรับสั่งว่าเขาเห็นเขาพูดตามที่เขาเห็นเธอไม่เห็นเธอก็ต้องบอกไม่เห็นไดเสร็จแล้วก็อบรมสั่งสอนก็บรเพณนเพียรไม่นานก็บรรลุมรรผลเป็นพระหันและนั่นคือเราจะเห็นว่ามันเป็น อ่าเป็นมารเป็นผู้ล้างขลังเป็นนารีพิคาตอ่ะเป็นนารีพิคาตแต่มันอีกแนวหนึ่งคือทําลายเกียรติยศชื่อเสียงต่างๆเพราะาตรงนี้มันจะมีเยอะหลายรูปแบบแต่ใจคนจะต้องหมกมุ่นอยู่ในเรื่องเหล่านั้นถ้าไม่หมกมุ่นอยู่ในเรื่องเหล่านั้นมันก็พิคาตไม่ได้แต่ในแง่สังคมเนี่ยอาจได้นะในแง่สังคมเนี่ยอาจได้คือคน ม, นมันมักจะเชื่อเมื่อพูดถึงความเสียหายของบุคคลอื่น แต่ในแง่ของกรรมเนี่ยมันเกิดไม่ได้เพราะว่าอะไรเพราะว่าท่านไม่มีจิตใจด้วยนะในการการกระทําในตรงนี้มันก็ต้องดูว่าผู้ที่ถูกกลาหาหรือผู้กระทู้ถูกกระทานั้นเป็นใครแต่ว่าถ้าใจกยงผัวพันหมกมุ่นอยู่ในกามแล้วก็กายก็ยังอยู่กับท่ามกลางอารมณ์นั้นก็ไปไม่รอด หนูประมาเหมือนไม้สดที่ชุ่มอยู่ด้วยยางแล้ววางไว้ในน้ําภาพมันชัดมากไม้สดที่ชุ่มอยู่ด้วยยางแล้ววางไว้ในน้ําอันนี้เราจะเห็นลักษณะอย่างหนึ่งว่ายาในมงคลในสูตรเนี่ยตัวอย่างง่ายชัดเจนว่าทําไมพระเจ้าต้องเริ่มที่อเสวนาจะภารนานังบัณฑิตา น, นั้นจเจเสวนาก็เพราะว่าถ้าไปคุกคีด้วยพานแล้วมันยากจะเอาตัวรอดได้ มือคนจะเป็นพระอรหันต์อยู่แล้วเนี่ยเยนเช่นพระองคุลิมาเนี่ยไปเกี่ยวข้องกับพานเนี่ยเลิดไปเป็นโจรเลยนับภาษาอะไรกับคนที่ไม่มีบา ร, รมีที่คุ้มครองปกปรรักรักษาจะไม่เลิดเปิดเปึงไปกันใหญ่เพราะเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ตามปกติแล้วเนี่ยพระเจ้าจะไม่สอนให้ไปเสียงแต่จะสอนให้หลีกหนีอุปมาเหมือนกับข้นทางมันมีเสืออยู่ข้างหน้า มันมีสารพิษร้ายอยู่ข้างหน้าเรารู้อย่าไปแล้วก็ดีที่สุดถ้าไปนี่มันมีความเสี่ยงสูงแล้วก็ไม่ได้หมายถึงว่าเป็นเรื่องกลัวอย่างเดียวอาจจะยั่วให้อยากอาจจะยั่วให้กําหนัดอาจจะขู่ให้โกรธอาจจะขู่ให้กลัวอาจจะมอมเมาให้หลงสร้างความสับสนให้หลงก็ได้เพราะฉะนั้นถ้าใจยังไปกับเขาแล้วนี่มันไม่มีทาง มันเหมือนไม้สดที่ชุ่มอยู่ได้ยางและวางไว้ในน้ำมันเปียกทั้งสองเปียกเปียกทั้งยางเปียกทั้งน้ำเพราะฉะนั้นบุคคลที่ต้องการไฟหรือพูดง่ายๆปัจจุบันเนี่ยนะก็ดูยากกว่าเรามาทําเฟอร์นิเจอร์นสมมติว่าเราอามาทําเฟอร์นิเจอร์นมันก็ทําไม่ได้เพราะมันยังเปียกทั้งสองอย่างเห็นไหมไม้ที่ทําเฟอร์นิเจอร์ปัจจุบันเนี่ยแม้ไม้สดเนี่ยต้องข้าโรงอบกนันก่อนต้องทําให้แห้งเด็ดขาดแต่ก่อน ถ้าแห้งไม่ได้แล้วในถ้าแห้งแล้วถ้าไม่แห้งแล้วจะทําไม่ได้ทำอื่นทําได้นะฮะทําฟืนทาได้แต่ว่าทรงอุ ป, ปมาในที่นี้มันชัดเจนเพราะว่าตัวไฟเนี่ยมันคือปัญญาไฟตัวนี้ไฟคือญาณ น, นะเพราะฉะนัเมื่อเราต้องการจะสีให้มันเกิดไฟในญาณคือตัวรู้ความจริงที่แท้จริงเนี่ยมันจะเกิดขึ้นไม่ได้เราจึงพบไปอย่างหนึ่งว่าไฟก็แล้วแต่อุ ป, ปมาตรงไหน บางทีจะพูดระดับแสงสว่างบางทีบางทีจะพูดในกรณีของการเผาลนบางทีจะพูดในกรณีที่มันลุกลามไม่ไปหมดบางครั้งก็จะพูดถึงตัวแสงสว่างที่ทําหน้าที่กระจับความมืดก็แล้วแต่อุปมาณนั่นอยู่ตรงไหนเพราะมันตรงนี้ก็หมายความว่าไม่สดที่ชุ่มอยู่ในยางและวางอยู่ในน้ําเนี่ยคนต้องการไฟคือต้องการจะให้เกิดยานขึ้นมาเนี่ยเอามาสีเนี่ยมันเกิดยานไม่ได้ นอกจากว่าอัจฉริยะจริงๆนะเว้นไว้แต่อัจฉริยะจริงๆแต่ว่าใจต้องพลาดก่อนนะะใจต้องพลาดก่อนเพราะเราตัวรูดตัวอย่างในคค้วิสารสุรประสูตรที่ว่าโดยประวัติของพระปัจเจกพุทธเจ้าเนี่ยเราก็พบว่าพระเจ้าพระเจ้าเป็นอันมากเนี่ยบรรลุปัจเจกระพุทธญาณในวังนะในวังแล้วก็อยู่ท่ามกลาง เสาสันกำเนิดนแต่ว่าใจนั้นท่านพลาออกจากการแล้วใจ ต, ต้องไปก่อนแล้วก็วิปั ส, สนาปัญญามันเกิดขึ้นมันก็ทําลายวิปัสสนาก็เหมือนกับแสงสว่างเนี่ยมันก็เกิดขึ้นก็ขาจาัดความมืดบอดโดยอํานาจของอวิชชาออกไปได้ปุปมาข้อ น, นี้มันกเกิดขึ้นปัญหาว่าจะต้องมีการตรวจสอบว่าพระองค์เองขณะนั้นเป็นยังไง แสดงว่าพระองค์ไม่ได้อยู่ประเภทไม้สดที่ชุ่มอยู่แต่ยางแต่วางไว้ในน้ำพรองค์จึงไม่ได้อยู่ประเภทที่นี้แต่เราก็มีคนที่อยู่ในประเภทนี้อยู่ทุกคนทุกแห่งทุกยุคสมัยและเมื่อเมื่อเป็นอุปมาที่นํามาเทียบเคียงก็ไม่จําเป็นว่าจะต้องคิดเทียบเคียงเฉพาะในกรณีนี้ก็สามารถจะมองในประเด็นอื่นในแง่มุมอื่น เช่นะนว่าคนต้องการประสบความสําเร็จเนี่ยแต่ถ้าไปเที่ยวเซซามาเลเทมอหมกบุนบุญวายการสนุกสนานเร่นริงเกลือกลัวด้วยพวกอภัยมุขทั้งหลายแล้วก็ไปไม่รอดหรอกมันก็กลายเป็นบล็อกสําเร็จรูปนะฮะที่สามารถจะใช้ในกรณีอื่นๆคือไม่ได้หมายความมาอุปมาแล้วใช้เฉพาะกรณีใดกรณีนึ่งตรงนี้ที่จริงที่ได้ทุกกรณีน เราต้องการความสําเร็จเราต้องการทํางานศึกษาและเรียนงานวิเคราะห์วิจัยทําวิทยานิพนธ์่านั่งสมาชิจเจริญกรรมาฐานอะไรอะรก็ตามครแต่พระใจยังปัวพันหมกมุ่นอยู่ในการกายเองก็อยู่คลุกครีด้วยรูปเสียงกลิ่นรสผลิภัณฑ์ธรรมารมณ์ที่ใจไปให้ความสมม้องการว่าน่าใคร่น่าปรารถนาหน้าพอใจแล้วจะไม่ประสบความสําเร็จแม้แต่ จะเรียนหนังสือให้สอบได้คะแนนดีๆนี่ก็จะไปไม่ได้ไม่ต้องกล่าวไปถึงการจะบรรลุมรรคผลเป็นค่ารียบุคคลอะไรครับทุกงฟังทัหลายแต่ลมประพวติยานในวันนี้ขอยุติไว้ด้วยเวลาเพียงเท่านี้ที่สุดนี้ขอความเจริญง่อ ง, งามไยบุญในธรรมจุ ม, มีแต่ท่านผู้ฟังทั้งหลายโดยโทษกันสวัสดี